ข้อความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วนี่ยนวะันนี้มาขึ้นถึงเนคขมมะบารมีในคขมมะบารมีนั้นโดยเนื้อหาอัฏฐสาระก็คือการจะ ก, การออกจากบาปออกจากอากุศลการออกจากอากุศลได้จริงๆนั้นทำเต็นที่ออกจากอากุศลตรงๆ ง, ต, งตัว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 แน่นอนสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ต่อเมื่อแทงตลอดพระนิพพานนั่นเองทีนี้อุบายที่จะทําให้ได้เจริญกุศลได้อย่างมากและก็ต่อเนื่องท่านบอกว่าการบวชนะการเว้นรอบคือผู้ไม่ครองเรือนนั้นสามารถที่จะประพฤติธรรมประพฤติกุศลธรรมให้ยาวและต่อเนื่องแต่นิยามของคําว่าเนคขมะจริงๆนั้นหมายถึงการออกจากบาป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 พระบิดาได้ตรัสว่าเจ้าได้รับความทุกข์ตั้งแต่เกิดมาเขาเลี้ยงเอาไว้ในที่แคบลูกเอยวันนี้จงปกครองแผ่นดินทั้งสิ้นพร้อมทั้งแว่นแคว้นพร้อมทั้งชาวนิคมและบริวารชนนี้เถิดเราถวายบางคมจอมกษัตริย์แล้วก็ประคองอัญชิีได้ทูลดังนี้ว่าบรรดาสัตว์ในแผ่นดินบางพวกต่ำช้า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 อัตรกรถาว่าเรื่องโดยย่อมีอยู่ว่าชาติที่พระองค์เนี่ยนะชื่อว่าอโยคระนั้นในอัตภาพก่อนทางอัพระพระอัครมเหสีของพระเจ้ากาสีมีหญิงร่วมสามีทีนี้ก็แบอบว่าผู้ชายมีภริยาหลายค น, นระหว่างภรรยาสองคนเนี่ยมันก็ผูกเวรซึ่งกันและกัน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 องแรกองค์ที่หนึ่งก็ถูกยักษ์กินองค์ที่สองก็ถูกยักษ์กินแต่ในครั้งที่สามพระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในพระคันของพระอัคารมเหสีนั้นพระราชาก็ปรึกษากับพวกมนุษย์ว่านางยักษิศีตนหนึ่งกินโอรสที่เกิดแล้วของพระเทวีเราควรจะทำอย่างไรดีมนุษย์ทั้งหลายก็ทูลตอบว่าธรรมดาอามนุษย์คือยักษ์เนี่ยย่อมกลัวเรือนเหล็ก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 พระราชาทรงให้พระกุมารนั้นแก่พวกแม่นมจัดการอารักขาใหญ่โตนะหลังจากคลอดเสร็จก็นําพระเทวีเข้าไปภายในที่ประทับก็คือกลับไปอยู่ที่วางตามเดิมส่วนกุมารนี่ก็ให้เลี้ยงดูอยู่ที่นั้นฝ่ายนางยักษิศีนั้นถึงวาระไปตักน้ํานําน้ําไปนะเอาไปให้ทาเวศวรรันก็สิ้นชีวิตไป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 พวกท่านจงนําโอรสของเรามาเถิดพวกอํามาตย์ก็กราบทูลรับพระบัญชาแล้วก็ทรงให้ตกแต่งพระนครนํามงคลหัตถีประดับด้วยเครื่องศัพท์พลังการไปณนะที่นั้นตกแต่งพระกุมารให้ประทับนั่งที่คอมงคลหัตถีกระทําประทับสินพระนครนะนะก็เกิดมาจริงๆก็ไม่เคยไปเที่ยวนะอยู่แต่ในเรือนเหล็กดันั้นก่อนที่จะเข้าไปที่พร ะ, พ ร, ะราชวังของพระราชบิดาก็ให้ขี่ช้างประพาสเมืองก่อน ขี่ช้างเที่ยวรอบเมืองก่อนพระราชาเนี่ยนะทอดพระเนตรเห็นผวรกายของพระโอรสที่งดงามจึงทรงกอดพระโอรสนั้นด้วยความเสนหาอย่างแรง น, นะรักลูกมากเห็นแล้วก็รักก็เลยรับสั่งกับพวกอมสาธว่าพวกเจ้าจงอภิเษกโอรสของเราในวันนี้แหละพระโพธิสัตว์ก็ถวายบังคมพระชนกแล้วก็ทูลว่าหม่อมชั้นไม่ต้องการราชสมบัติ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 คือซึ่งข้อความในอัตกถาชาดกกล่าวว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะในเรื่องในชาดกเมื่อพระเจ้าพระมทัศสวยรายสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระอรัครมเหสีของเท้าเธอในสง์พระคันได้รับการบริหารพระคันเป็นอย่างดีจนพระคันแก่แล้วประสสติพระราชโอรส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 แต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยได้แต่นิ่งเฉยเสียในการที่พระเทวีประสูตรพระอรรถอีกองค์หนึ่งเท้าเธอก็มีการจัดอารักขาอย่างมั่นคงพระเทวีก็ประสูตรพระอรรอีกเป็นคํารบสองนางยักษินีก็มาเคี้ยวกินพระกุมารนั้นนะแล้วก็หนีไปอีกในวาระที่สพระโพธิสัตว์เจ้าถือปฏิสนธิในพระคันของพระเทวี พระราชามีพระองค์การให้มหาชนมาประชุมกันตรัสถามว่ายักษณีตนหนึ่งมากินโอรสที่ประสูตดจากพระเทวีของเราทุกคราวควรจะจัดการสถานใดเดี่นนะก็ปรึกษาครั้งนั้นบุรุษคนหนึ่งก็กราบทูลว่าขอเดชะธรรมดานางนยักษณีย่อมกลัวใบาตานควรที่จะผูกใบาตานเอาไว้ที่พระหัตถ์และพระบาททั้งสองของพระเทวีพวกนี้ถือนับถืออาคมคลังใช่ไหม มันก็เอาใบตานครัเขียนเป็นยันเป็นมนก็มาผูกมือผูกเท้าเอาไว้ว่าือนกันอีกคนหนึ่งก็บอกขอเดชะธรรมดานางยักษิศีนี้ย่อมกลัวเรือนเหล็กควรจะทําเรือนเหล็กเอาไว้พระเจ้าค่าพระราชาก็สั่งวาสาทุแล้วก็รับสั่งให้ช่างเหล็กทั้งหลายในแว่นแคลนของพระองค์มาประชุมกันพระองค์ก็ทรงบัญชาว่าท่านทั้งหลายช่วยการทําเรือนเหล็กให้เราก็โปรดให้ราชบริษผู้ดูแลคอยกํากับการ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 พ่อของเราไม่น่าเลยสั่งให้เราจำคุกตลอดตั้ง16ปีเนี่ยนะอยู่คุกมาตลอด16ปีไม่ให้เราได้เห็นพระนครอันตกแต่งงดงามเห็นป่านนี้เลยโทษผิดของเราเนี่ยมีอย่างไรเนอไปทำความผิดทำอะไรมาจึงถูกขังคุกตั้งแต่เล็กกร น, น้อยนะเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสถามพวกอมัดอมัดก็กราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ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 ก็ไม่ใช่ว่าจะพ้นไปจากความตายได้ถึงเราจะพ้นจากคนอื่นมาฆ่าเรานะแต่เราก็ไม่ได้พ้นจากความตายประโยชน์อะไรเนอะด้วยราชสมบัติแก่เรานับแต่วาระที่ได้ดำรงอยู่ในราชสมบัติแล้วการที่เราจะออกบวชยากเงี้ย น, นะถ้าหากเสวยราชสมบัติแล้วยากที่จะได้บวชเราจะให้พระราชบิดาทรงอนุญาตการบรรประชาแก่เรา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 ถึงจะพ้นจากเงื้อมมือของนางนางยักษิศีแล้วก็ใช่ว่าข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนไม่แก่ไม่ตายก็หาไม่ได้ถึงจะพ้นจากการฆ่ายังไงก็ไม่พ้นจากความตายขึ้นเชื่อว่ามรตยุราชคือความตายนี้ใครใค ร, ใครไม่อาจจะชนะได้ไม่มีใครที่จะหลอกพยาม จ, จุราชได้แกล้งหลอกความตายดูนี่หลอกได้ไหมไม่ได้ข่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เอื้อมระอาในภพ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 เหมือนพระจันทราทิตย์ที่ไม่มีรมัศมีประสูตดจากพระคันของพระมารดาอันเต็มไปด้วยซากศพเน่าแล้วก็ยังถูกขังเอาไว้ในเรือนเหล็กซึ่งมีทุกร้ายแรงยิ่งกว่านั้นอีกข้าพระบาทได้รับความทุกร้ายแรงเช่นนี้แล้วถ้ายัางยินดีในราชสมบัติก็ถือว่าเป็นผู้เลวยิ่งกว่าคนเลวสามทั้งหลายนะเรียกว่าเป็นคนเลวสามยิ่งกว่าคนเลวสามทั้งหลายเหมงอนกัน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 ย่งมากก็ดึงผิวหนังได้นิดหน่อยใช่นั้นเ่ง น, นนะต่อสู้กับความป่วยไข้ทํายังไงได้บ้างยากแล้วความตายนี่จะชนะจะเป็นได้ยังไงความตายดูท่าจะยากยังก็เคยไปงานศพอยู่ที่หนึ่งลูกชายเขาตายโอ้ยร้องให้กันครําครวญบอกว่าความตายนี่สาเหตุมันอยู่ตรงไหนนะจะไปไปลบจะไปเอาให้มันชนะเลยว่าจะไปคือคืออยากให้ชีวิตมันอมาตะใช่ไหม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 พระราชาผู้เป็นอธิบดีเป็นใหญ่ในรัฐทั้งหลายย่อมจะคมขี่สราชสตรูผู้มีเสนาอันประกอบด้วยองค์สี่ล้วนรูปร่างหน้าสะพึงกลัวเอาชนะได้แต่ไม่สามารถจะเอาชนะเสนาแห่งมัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจักบวชประพฤติ ธ, ธรรมจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนชนะสงครามมากี่ย่านน้ำก็ตามเถอดพ้นความตายไหม ในที่สุดะนะยังกษัตริย์ไม่ใช่น้อยใช่สู้รบไปเรื่อยๆในที่สุดก็ไปตายยังไงอเล็กซานเดอร์ Alexander, มหาราชโบราณก็เหมือนกันนะโหยรบมาเรื่อยก็มาตายนโปเลียนก็รบไปจนตายเนี่ยยิ่งใหญ่จริ ง, รงๆก็จนตายเจงกิสคานก็ในที่สุดก็ตายนักรบอื่นๆที่รอดตายนี่ยากนะเพราะอะไรเพราะที่สุดของชีวิตก็คือความตายแล้วเอาอะไรมาผลัดวันประกันพรุ่ง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 ก็ตายเนี่ยนะไม่น่าเชื่ออะไรพร้อมที่จะตายได้หมดอะ่ะผลไม้ที่สุกแล้วย่อมหล่นย่อมล่วงร่วงไปฉันใดสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนุมแก่ปานกลางจะเป็นหญิงเป็นชายย่อมเป็นผู้มีสรีระอันทําลายหล่นไปฉนั้นเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าจากบวชแล้วประพฤติ ธ, ธรรมนนะเวลาที่เห็น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 แล้วจะหาความสุขมาจากไหนแล้วมันสบายตรงไหนอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าจากบวชแล้วประพฤติ ธ, ธรทรำตุลาพฤกษิกาเนี่แหละนะทั้งเรื่องนะนะตุลาพฤกษิกาเนี่แหละเอาจริงแน่เหมอนเอาจริงนะว่าไม่ได้แปลว่าอยู่จริงเนะี่ยตัอย่างนั้ น, นก็คือถ้าหากว่าปล่อยให้ความชราพาพามาแล้วนะจะกินอิ่มนอนหลับจะไปเที่ยวที่ไหนให้มันดูสุขสบายมันก็ไม่ได้สุขสบายอะไรจริงหรอก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 ชนทั้งหลายผู้กระทำความผิดฐานประทุษร้ายต่อพระราชาก็ดีประทุษร้ายต่อราชสมบัติก็ดีผู้เบียดเบียนป ร, ระชาชนก็ดีย่อมจะขอพระราชาทานอภัยโทษได้แต่หาธรร ม, มัจจุราชให้ผ่อนปรนกรุณาปรานีได้ไหมเพราะเหตุ น, นั้นขาพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจากบวชแล้วประพฤติธรรมใช่ไหมลุงเรืองคดีทั่วๆไปยังจะพออุทธร์ดีกาได้บ้างไง แต่คดีคือความตายไม่รู้จะไปอุทธรดีกากับใครใช่แต่สวดไปเส้นไปสวงไปอ้อนวอนไปอุทธรดีกาไม่ได้สักอย่างเลยนะเพราะอะไรเพราะความตายไปแล้วใช่ไหข่าวว่าเพิ่งไปเผาศพมาหลายศพนี่ย ไ, ไม่เห็นอุทธรดีกาอะไรได้สักอย่างเลยเนาะมัจจุราชนี่ไม่ได้มีความเกรงใจเลยว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์ไม่เคยเกรงใจเขาว่าผู้นี้เป็นพราหมณ์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 ร้อปีข้างหน้าจะเหลือสักกี่คนเนี่ยนะโว้ยเขาลืมชื่อเราหมดแล้วลงุงเรืองร้อยปีเนี่ยนะชื่อของเราเขาไม่เหลือแล้วเราบัญญัติยังหายไปเลยนะสมมโนโครวัวยุคนั้นก็เผาทิ้งหมดนะว่าเกะกะมันรกชัดไปหมดนะเพราะอะไรเพราะสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสรีระก็จะศูนย์ชื่อเสียงนามสกุลเป็นต้นก็จะศูนย์ไปจากโลกไปหมด ม, มีใครจําได้ไม่มีใครมาขุดคุยประวัติเราหรอกเจอนะเขาลืมทิ้งไปหมดแนะ่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 ประจำโลกอยู่แล้วไม่ใช่ของผู้ใดหรอกใครมีบุญก็ใช้ไปใครหมดบุญก็ป่วยไปเนี่ยนะก็อยู่แค่นี้แหละราชาสีก็ดีเสือโคร่งก็ดีเสือเหลืองก็ดีย่อมค่ขมขีเขี้ยกินสัตว์ที่ดิ้นรนอยู่ได้แต่ไม่สามารถจะเขี้ยกินมัจจุราชได้เพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจากบวชแล้วพระพฤิธรรมใชม่เสือนี่มันกินสัตว์ได้ใช่แต่มันกินความตายไม่ได้เพราะเสือก็ตาย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 น, ะนีอะไรยังพรหนี้ได้นี้ความตายจะนีไปอยู่ตรงไหนโลกนี้จะนีไปอยู่ตรงไหนน ะ, น, ไไห น, นะบินไปข้ามไปที่ไหนมุดลงไปตรงไหนให้มันพ้นจากความตายได้ไหมไม่ได้ก็มุดไปหาที่ตายนี่ยแหละเนี่ยนะบินไปหาที่ที่ตายไม่มีใครพ้นหรอกเนี่ยนะจะทำอะไรได้ให้มันพ้นจากความตายทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติทำทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนาความสุขมาให้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 ยอมให้บวชหรือว่ายอมอยังไงเนะท่าที่ฟังแล้วคำสองคาลูกก็พูดถึงแต่ความตายประโยคสองประโยคก็ตายสามสี่ประโยคก็ตายเนี่ยนะแล้วก็ถามว่าอะไรมันมั่งจาเป็นของสำหรับคนเกือบจะตายอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรจาเป็นมั่งมีอะไรสำคัญที่คนก่อนตายจะต้องสแสวงหาอย่างเดียวก่อนตายนี่ควรหาอะไรเนี่ยนะ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 ทายาทิชราและมรณะก็พึงมาถึงนี่นะพ่อถ้าคืนคุยกับพ่ออยู่นานๆเดี๋ยวก็ป่วยตายนเนี่ยคุยกับพ่อเขามีแต่รอความแก่ความตายไปเรื่อยเพราะฉะนั้นจงหยุดเถิดพระเจ้าค้าไม่ต้องพูดอีกแล้วไม่ต้องขอร้องอีกแล้วข้าพระองค์จะละกามทั้งหลายเหมือนช้างตกมันตัดเชือกเหล็กตัดโซ่เหล็กเหมือนลูกสีหัทําลายกรงทองฉะนั้นเสร็จแล้วก็กราบถวายบังคมพระชนกชนนีออกบรรพชา กราบอํลลาพ่ออํลลาแม่ครั้งนั้นพระชนกคือพ่อของพระโพธิสัตว์คิดว่ากุมารนี้ใครอยากบวชอยากจะบวชก็เราจะอยู่ไปทำไมเราขนาดลูกของเรานะอายุ16ปีแค่นี้เองยังน้อมไปเพื่อจะบวชแล้วเราล่ะแม้เราก็ไม่ต้องการด้วยราชสมบัติขนาดลูกของเราเพิ่ง16ขวบคำสองคำพูดแต่เรื่องตายเนี่ยนะแล้วพ่อมาอายุป่านนี้แล้วจะไม่ตายหรือเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องสละราชสมบัติออกบรรญชาเมื่อพระราชาเสด็จออกบรรญชาชาวพระนครทั้งสิ้นมีพระเทวีอมรรตพราหมขึ้นหาบดีเป็นต้นก็ละทิ้งโภกสมบัติออกบวชได้เป็นมหาสมาคมมีบริษัทประมาณ12โยต์ประพฤติ ธ, ธรรมพระโพธิสัตว์ก็พาชนเหล่านั้นไปสู่ปาหิมวันปาหิมวันนั้นท้าวสกะเทวราชทรงทราบว่าพระโพธิสัตว์ออกบวช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 จ ะ, ยดยดจะได้เกลียดยศศักย์ใหญ่หลวงจะได้เกลียดตำแหน่งพระราชาก็าไม่ใช่แต่ว่ารักสัพพัญญุตยานหรือสัพพัญญุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงสละราชสมบัติเนี่ยนะคือถ้าคิดอีกในหนึ่งเนี่ยนะไอราชสมบัติทั้งหลายหรือทรัพ์สมบัติทั้งหลายเราจะอยู่กับเขาได้ตลอดไปไหมจริงจริงแล้วจะอยู่ได้ด้วยตลอดไปได้ไหมในที่สุดเนี่ยนะ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 พระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็บรรลุมรรคผลนิพพานกันแล้วส่วนคนที่ตนิผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ก็เฝ้าวัตตะตามเดิมเนี่ยนะอุย้ยทำอย่างนี้ไนดะ้ยังไงเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็เฝ้าขันท่าอรายตนะต่อไป